จะไปไหนก่อนกจะเข้าไปที่กรุเทพแล้วก็ไปดําเนินเรื่องธุรกส่วนตัวแล้วก็ไปหาที่ภาวนาตาม่าในแถบเขตทองมาภูมิที่กาญจนบุรีนะครับเรนยมก็มากราบโยกเลามากรับฟังครรจากทางประชาจรย์โยัรรมพระครับมาด้วยกันนนั่นก็อยู่วัดบุญยาบ้านไปด้วยกันนะ อยู่ได้กี่ปีแล้วพันศันาคันาอยู่ที่วัดบุญญาว่าตลาใช่ครับแล้วจะกลับไปวัดบุญญาวนากอาจารย์ต่านท่านมีนโยบายอลไเกี่ยวกับเรื่องการลาไปไปปฏิบัติที่อื่นมันกฎมีอะไรบ้งรับท่านบอกว่าถ้ดไปแล้วก็ภาวนาได้ก็ไม่ต้องรีบครับ ให้อยู่ให้อยู่ให้อยู่ไปแต่ว่าถ้าเกิดคิดว่าไม่ไม่ไม่คำภาวนไม่คืบหน้าฝีธรมาทิฏฐิปัญญาไม่นม่เกิดให้กลับไปหาอรูบาอาจารครับผก็เลยออกมาก็จะให้มันตื่นตัวขึ้นมาใช้การภาวนีแล้วก็ถ้ามันผาไม่ไม่สิทฝีธรมาธิฏฐปัญญามันไม่เกิดก็ให้กลับไปหาครูบาอาจารครับไปอยู่ศึกษากับอาารก็ไปอยู่ได้ครับก็ให้กลับแต่ว่าให้ไปก่อน วันชุมสองวันที่ห น, นึ่งมิถุนาครับให้พี่กลับถ้าอยากจะอยู่จำมันสารครับแล้วก็ท่านก็บอกเปิดโอกาสเต็มที่ถ้าเราจะทำความเพียรอยู่คนเดียวอยู่น้อยรูปก็ให้ให้ออกไปได้ไม่ไม่ว่าอะไรแต่ว่านั้นให้รีบกลับมาถ้าเกิดอุศัไม่เกิดก็ให้ใใหห้้รีบกลับกับพระทุกอย่างก็จะพราะพระที่พุนมันสาพรนะพุทธสารเกิด<ๆ>ไม่ ไม่พ้นนิสัยเนี่ยไม่เกินห้าภาษาจะให้ถ้าจะเปลี่ยนสถานที่นาวนาให้ท่าเฉพาะมีสาขาอยู่สองที่ก็ไม่ไกลกันคืออยู่ไม่ร้อยรูปคือไม่ต้องมีกิจวัดอะไรมากให้ภาวนาได้เต็มที่ถ้าจะเกิดไปครับว่าเขาถ้าไปก็คือถ้าทําความเพียรถ้าถ้าอยู่ที่วัดแล้วทำความเพียรไม่ได้ก็อย่าหวังว่าออกไปข้างนอกจะทําความเพียรได้ถ้าจะเกิดออกไปแล้วถ้าทาความเพียรได้น้อยกว่าอยู่ที่วัดก็ไม่มีประโยชน์ก็ให้กลับนะ ถ้าออกไปแล้วต้องทำความเปียนให้ได้มากกว่าเดิมท่ันมีพระชาวต่างประเทศบ้างไหมมาตั้งหกเจ็ดรูปครับเป็นชาวอะไรบ้างเนีมีอเมริกันมีเยอรมันมีบราซิลมีญี่ปุ่นญี่ปุ่นมีอังกฤษออสเตรเลียออสตรีย ก็ดีนะในรัฐชาติดีครับแล้วเข้ากันได้ใช่ไหมคุยกันรู้ได้ไหมครับอาจารย์ชื่ออาจารประชันติชากันยูจะเป็นล่ามได้ครับเป็นชาวต่างประเทศนะครับเป็นชาวอังกฤษครับครับนชาวแล้เอาผู้สอนที่สุดใช่ไมันที่สิบสี่กัาถ้าต้องการหนังสือซีดีก็หยิบได้นะ พ อ, อพูดกับญาตยมหนอยโยมมีธุระอะไะป่าไม่มีค่ะมาจากคุ้นเพวก็พาญาตมากราบพระอาจารย์ชี้ชีอ๋อ่งมาขรังแรกเหรอเรรกรู้จักที่นี่ได้ยังไ่านจากหนังสือของหลวงตามหาวุฒิอคยไปราบลวงตาของทางที่ท่านมีชีวิตอยู่ ไม่เคยถามค่ะเคยกล่าวไม่เคยอ่านจดนงสือหนตาตอน้ามไรเกิเสนสีค่ะอืมเคยไปกล่าไหวครูบาอาจารย์ที่ไหนบ้างอก็มีหลวงพ่อจริญที่สิงหบุรีแล้วก็ขึ้นไปอยู่บนวัดภูสังคูค่ะอาจารย์บรรทัยอ๋อเคยไอยู่ที่นั่นานไหมปอยู่ที่นั่นจนมากจะเป็นเดือนกันยานะอยู่ได้นานีห ไปประมาณสิบวันค่ะสองครั้งไปสองครั้งไปต่อครั้งนะคะประมาณสิบวันก็ไปหลายครั้งนะคะไปหลายครั้งไปไปหลายปีแล้วค่ะไปหลายปีนะคะอืปีนี้ได้ไปมางลรืยังกันดาที่ผ่านมาได้ไปค่ะไปพยายามจัดเวลาไปเดืินกันยากันเกือทุกปีค่ะอืยู่แม่ท่านเสียเช่นกันอยู่แม่ท่านเสียมั่งปีที่แล้วปีแล้ว ม, รร ม, มีคำถามอะไรไหมยังไม่มีค่ะมามาให้รู้จักสถานที่ก่อนคะ่ะพอดีแยกย า, ยาติึพิ่งเข้าปฏิบัติที่ไปฝึกที่วัดอัมพรวันมานะคะ่ะแต่ภกมิเข้าใจไหมยังไม่มีเดี๋ยวไว้ลองฝึกกูก็เริม่มต้นที่รักษาสิ่แปล แล้วก็หัดเดินจงกรมนั่งสมาธิเจริญสติไปก่อนสตินี้เป็นธรรมที่สำคัญเป็นเหมือนกุญแจรถจะให้รถวิ่งได้ต้องมีกุญแจก่อนเข้าเปิดประตูก็ไปในรถแล้วก็ใช้กุญแจสตาร์ทรถถ้าไม่มีกุญแจก็เข้าไปในร ถ, ร ถ, ถ, ร ถ, ข, นรถขับรถไม่ได้ใจก็เหมือนรถ เราจะขับใจให้ไปพระนิพพานเราต้องใช้ใช้สติเป็นผู้นําไปที่ไปปฏิบัติที่ที่สำนักปฏิบัติเขาจะสอนให้ฝึกสติไปก่อนให้มีสติอยู่กับร่างกายก็ได้มีสติอยู่กับพุโทโธก็ได้ให้ใจหยุดคิดเป้าหมายคือใจชอบลอยไปตามความคิด ลอยไปแล้วมันก็ไม่นิ่งมันก็ไม่สงบมันก็ไม่มีความสุขมันก็จะดิ้นหาความสุขจากทางตาหูมจมูกลิ้นกายแล้วมันก็จะไปเจอความทุกข์นี่คือปัญหาของคนที่ไม่มีสติไม่มีสติใจมันจะไม่นิ่งพอไม่นิ่งมันก็จะเกิดความหิวความอยากตัณหาต่างๆขึ้นมา อยากในรูปเสียงกลิ่นรถอยากมีอยากเป็นอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากไม่ได้เราพอไปหามาก็ต้องมาทุก์กับสิ่งที่ได้มาแล้วเวลาเสียไปก็ต้องทุก์กับสิ่งที่เสียไปก็จะเวียนเวียนอยู่กับการหาความทุกข์ถ้าไม่มีสติเพาจะให้อยู่เฉยๆไม่ไปหา หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ทุกข์อีกอยู่ยเฉยเฉยก็ไม่ได้อยู่เฉยความอยากดูอยากฟังอยากดื่นอยากรับประทานมันคอยอคอยดันคอยผลักทำให้ต้องไปหาสิ่งต่างๆมาหามาแล้วก็ได้ความสุขเดียวเดียวแล้วก็หายไปแล้วก็ต้องหาใหม่ าหาไม่ได้ก็ทุกข์อีกแต่ถ้ามีสติแล้วใจจะนิ่งใจจะสงบใจจะอยู่เฉยๆได้ใจจะสามารถควบคุมความอยากได้เป็นการควบคุมชั่วคราวคือคุมได้แต่ยังไม่สามารถที่จะทำลายมันได้สตินี้หยุดความอยากได้แต่ ทำลายให้มันหายไปไม่ได้ต้องอาศัยปัญญาถ้ามีสติแล้วขั้นต่อไปก็ใช้ปัญญาได้เวลาเกิดความอยากก็ให้พิจารณาสิ่งที่เราอยากว่ามันไม่เที่ยง ม, มันไม่ท้าวอนมันไม่แน่นอนมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันมีเจริญมีเสือ่อมมีเกิดมีดับมีได้มีเสีย ได้มาแล้วก็ดีใจเวลาเสียไปก็เสียใจก็กลับมาจุดที่จุดเดิมจุดตอนที่ไม่มีอะไรแล้วก็ต้องไปหาใหม่หาใหม่ก็เจอแบบเดียวกันได้มาแล้วเดี๋ยวก็เสียไปอีกนันวิธีแก้ปัญหาท้าวลงก็ต้องเห็นว่ามันเป็นการไปหาความทุกข์เพราะว่า มันไม่อยู่กับเราไปตลอดถ้าเห็นว่ามันเป็นทุกข์ต่อไปก็จะไม่อยากได้ก็จะตัดความอยากต่างๆได้พอไม่มีความอยากก็จะไม่มีอะไรดันผักดันใจให้ไปหาสิ่งต่างๆใจก็จะอยู่สงบอยู่นิ่งอยู่อย่างมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรเอ๊ ตอนเริ่มตอนนี้ต้องฝึกสติต้องรักษาสีแปดให้ได้เพราะสีแปดจะทำให้เรามีเวลามาปฏิบัติถ้าเราไม่รักษาสีแปดเดี๋ยวเราก็จะไปหากิจกรรมอื่งๆทำกันไปดูพวกมหอเราศพบันเทิงการเที่ยวตามสถานที่ต่างๆหรือไปทำอะไรต่างๆร้อยแปด เพราะว่าศีลห้านี้ไม่ได้ไม่ได้ห้ามไม่ให้ปันทําอะไรกแต่ถ้าถือศีลแปดนี้ห้ามเนี่ยไม่ให้ไปหาความสุขทางตาหูจมูนกนิ้งได้ให้ไปอยู่วัดคนที่อยากจะได้ธรรมะอยากจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์จะต้องทิ้งโลกไปเพราะโลกนี้เปนโลกของความทุกข์ ต้องทิ้งราบยศสรรเสริญทิ้งความสุขทางตาหูจมูกทิ้งกายทิ้งสามีทิ้งภรรยาทิ้งบุตรทิ้งทิดาทิ้งไปหมดเลยเพราะของโวกนี้มันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขถ้าอยากจะได้สุขแบบไม่มีทุกข์ต้องไม่มีอะไรความสุขที่ไม่มีอะไรมาให้ความสุขถ้าไม่มีอะไรมันก็จะไม่มีอะไรที่ต้องสูญเสีย ถ้ามีแล้วมันก็ต้องมีการสูญเสียมีการพัดผ่าจากกันถ้าไม่มีมันก็จะไม่มีอะไรต้องสูญเสียถ้ามีสติก็จะสามารถอยู่กับสิ่งอยู่กับการความไม่มีอะไรนะอยู่กับความว่างเปล่าได้ทาเป็นต้องฝึกสติจําเป็นจะต้องมีศีลแปดเป็นธรรมสองชนิดที่ที่ผู้เริ่มต้นปฏิบัติจะต้องพยายาม สร้างขึ้นมาให้ได้พยายามรักษาสินแปให้ให้บ่อยๆมีเวลาว่างก็รักษาสินแปไปแล้วจะได้มีเวลามาคอยเจริญสติคอยควบคุมใจไม่ให้ลอยไปตามความคิดต่างๆให้อยู่กับพุทธโธพุทธโธพุทธโธไปหรือจะให้เฝ้าดูการกระทาของร่างกายร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ก็ให้อยู่กับการกระทา ของร่างกายไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็จะนิ่งได้แล้วถ้านั่งเฉยๆหลับตาก็จิตก็จะรวมเป็นสมาธิได้นี่คือการปฏิบัติธรรมในเริ่มต้น ต, ต้องปฏิบัติต้องเจริญสติต้องรักษาศีนแปลต้องไปอยู่ที่ห่างไกลาจากเรื่องราวตา่างๆ อยู่บ้านเรื่องมันมากคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้มันจะเข้ามาคอยครบกวนถ้าอยากจะปฏิบททัติธรรมก็ต้องไปอยู่วัดไปอยู่วัดที่เงียบๆที่ไม่มีกิจกรรมอะไรต่างๆเช่นไปอยู่วัดอําพวานเขาก็จะจัดตารางให้ปฏิบัตินะเดินกี่โมงเต็มแล้วต้องทำอะไรบ้าง ตอนเริ่มต้นก็นเหมือนเด็กอนุบาลต้องให้มีคนสอนก่อนแต่พอเรารู้จากวิธีแล้วต่อไปเราก็ไปปฏิบัติของเราเองได้เพราะการปฏิบัติจะก้าวหน้านี้ต้องปฏิบัติตามลำพังเพราะว่าถ้าไปราปฏิบัติพร้อมๆกันนี้ก็จะต้องรอคนที่เขาช้ากว่าเรา แต่ถ้าเราเร็วกว่าเขาเราก็ไปปฏิบัติของเราคนเดียวถ้าเราก้าวหน้ากว่าเขาถ้าเราไปเรียนตามหลักสูตรที่เขาก็จะให้เรียนรวมกันคนใหม่คนเก่าก็เรียนแบบเดียวกันแต่ถ้าเราก้าวหน้าแล้วเราปฏิบัติของเราเองได้แนละ้วเรารักษาศีลแปดเองได้จเจริญสติเองได้เราก็ไม่ต้องมีใครมาคอยพา ทำนะเราต้องเราต้องพาตัวเราเองทาเองต้องดันตัวเราเองต้องบังคับตัวเราเองต้องกำหนดตารางการปฏิบัติของเราเองว่าเราจะปฏิบัติวันละกี่ชั่วโมงจะปฏิบัติเวลาไหนบ้างเป้าหมายก็คือให้มันปฏิบัติจนกระทั่งมันปฏิบัติได้ทั้งวันทั้งคืนนอกจากเวลาหลับ ถ้าเวลาตื่นขึ้นมานี้จะใช้ให้ใช้อยู่กับการปฏิบัติถ้าได้ปฏิบัติถึงขั้นนี้แล้วก็รับรองได้ว่าผลต่างๆมันก็จะปรากฏขึ้นมาแล้วการปฏิบัติมันก็ต้องมีครูหรือมีหนังสือ่อยแนะนาขั้นตอนของการปฏิบัติเพราะว่ามันก็มีหลายขั้นตอนด้วยกัน แล้วก็มีปัญหามีอุปสรรคอะไรต่างๆที่จะต้องแก้ไขก า, ารปฏิบัติจะปฏิบัติโดยที่ไม่มีหนังสือหรือไม่มีครูสอนนี่ก็จะหลงทางได้ก็จำเป็นที่จะต้องมีครูมีหนังสือคอยบอกทางเหมือนเป็นแผนที่เวลาเดินทางเราก็ต้องมีแผนที่คอ ย, คอยเปิดดู ว่าเราจะไปทิศทางไหนชนเราจะได้ไม่หลงทางเพราะทางนี้มันก็มีไม่ใช่ทางเดียวมันมีทางแยกไปทางอื่นได้เช่นทางสมาธินี้มันมีทั้งทางที่ไปสู่ความสงบกับทางที่ไปสู่การรู้เห็นอะไรต่างๆการไปเห็นนิมิตอะไรต่างๆหรือการไปมีความสามารถพิเศษต่างๆ เราต้องรู้ว่าทางไหนเป็นทางที่ถูกทางไหนเป็นทางที่ไม่ถูกถ้าไม่มีครูอาจารย์ไม่มีหนังสือเราก็อาจจะหลงไปคิดว่าทางที่ไปเห็นนั่นเห็ <c oughs> นนี่ไปมีคนคนมีความสามารถพิเศษนี้เป็นทางที่ไปสู่พระนิพพานแต่มันไม่ใช่ <c oughs> ทางที่มันจะไปสู่พระนิพพานนี้ก็คือ ความสงบความนิ่งความว่างของใจคนปฏิบัติถึงขั้นนี้ก็ก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อเพราะว่ามันสำหรับสมาธิมันก็มีเท่า น, นี้สมาธิก็คือความนิ่งความว่างความสงบแต่มันจะเป็นเครื่องมือที่จะมาใช้กับการเจริญปัญญาต่อไปถ้าใจไม่นิ่งไม่สงบ เวลาจะพิจารณาทางปัญญานี้จะไปไม่ได้เพราะจะมีตีเลตมาคอยขับขวางจึงต้องทำใจให้นิ่งให้สงบให้ว่างก่อนแล้วก็ค่อยออกจากสมาธิออกจากความนิ่งความว่างความสงบแล้วขยับเข้ามาอยาียับข้ามามาเด้๋ยวันทนะด้๋ยันนะ เ อ, าา อ, อ, อนนี้พอจะเข้าใจไหมอ่าเรื่องต้องขยานห น, นังสือธรรมะก่านนะอ่อหนังสือธรรมะเป็นเหมือนแผนที่เราจะได้รู้ทางไว้ล่วงหน้าก่อนว่าเราจะต้องไปทางไหนจะต้องทำอะไรบ้าง มัยนี้เราโชคดีมีหนังสือธรรมะมีทิีดีธรรมะฟังเราไม่ต้องไปหาครูบาอาจารย์โดยตรงกร็ได้ขอให้เรามีความขยันมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนใฝ่ศรรึกษาอ่านหนังสือธรรมะอยู่เรื่อยๆอ่นถ้าเติดก็ได้อ่านวันละชั่วโมงนี้ได้ยิ่งดีวันนึงหาเวลาอ่านหนังสือสักชั่วโมงหนังสือธรรมะเพราะธรรมะนี่มันมีหลายแง่หลายมุม มีรายละเอียดที่ค่อนข้างที่จะมีหลากหลายถ้าอ่านแล้วเราก็จะได้ความรู้ไว้สำหรับเป็นเป็นผู้นำทางคืออ่านอย่างเดียวยังไม่พออ่านเพื่อที่เราจะได้นำออกไปปฏิบัติต่อไปถ้าไม่อ่านเราไปปฏิบัติเราก็จะไม่รู้ว่าเราปฏิบัติอะไรถูกหรือไม่อย่างไร ยิงสมัยนี้มีวิธีปฏิบัติที่ค่อนข้างที่จะแตกต่ า, างกันไปแต่และสำนักแต่และ ว, วัดก็มีวิธีสอนให้เจริญสติไม่เหมือนกันแต่มันก็เป็นวิธีที่จะทำให้ไปสู่ความสงบได้เหมือนกันวิธีเจริญสตินี้ในหนังสือท่านก็แสดงไว้ถึง40วิธีด้วยกันที่เรียกว่ากรรมฐานสี่สิบ มีอนุสติสิอนุสติ ส, สิประการเช่นพุทธานุสติก็ให้เราเลิกถึงพระพุทธเจ้าธรรมานุสติได้ลเลึกถึงพระธรรมคําคสอนสังขานุสติกด้เลิกถึงพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าแต่เราเลิกโดยเรา ล, ลึกถึงคุณของท่านก็ได้เช่นสวดบทพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณไปการสวดมนต์นี้ก็เป็นการฝึเจริญสติ เรามีธรรมเนียมที่ไหว้พระสวดมนต์ไปอันนี้ก็เป็นเป็นอุบายวิธีเจริญสติแต่การสวดมนต์นี้ไม่จาเป็นที่จะต้องมานั่งสวดรวมกันพร้อมกันบางทีต่างคนต่างสวดจะได้ประโยชน์กว่าเพราะมันจะสะดวกกว่าเราสวดที่ห้องของเราเลย ถ้าจะมาสวดดวมกันก็ต้องไปเจอกันที่โบสถ์ที่ศาลาต้องมีเวลามีเวลาต้องมารอกันมาอะไรกันซึ่งมันไม่ทันการสติมันต้องมีแบบต่อเนื่องแบบปัจจุบันทันด่วนไม่ใช่ไปตอไปนั่งรอตั้งสติกันนั่นที่โบสถ์ที่วัดกันนั่นจริงัตงทั้งสติตลอดเวลาการเจริญสตินี้เราเจริญได้ทุกเวลานาที ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมานี้เราก็จะเรียสติได้เนชะ่นถ้าเราใช้พุทโธพอตื่นขึ้นมาเราก็ลืมตาปั๊บแล้วก็พุทโธไปเลยไม่ว่าเราจะไปทําอะไรก็พุทโธไปถ้าไม่ต้องใช้ความคิดเช่น อ, อาบน้ำอาบท่าล้างหน้าล้างตาแปรงฟันอันนี้ไม่ต้องใช้ความคิดอะไรก็พุทโธไปแต่ถ้าเราไปทํางานต้องใช้ความคิดเราก็หยุดพุทโธแล้วก็ให้มีสติอยู่กับงานที่เรากําลังทําอำ ต้องฝึกสติให้มากมากถ้าสติมีกำลังมากจะทำให้การนั่งสมาธินี้สงบได้ง่ายสงบได้เร็วสงบได้ลึกถ้าไม่มีสตินี่มันจะไม่สงบยันไม่ว่าจะปฏิบัติทําขั้นไหนต้องมีสติเป็นตัวคอยประครับประคองจิตใจสมาธิก็ต้องมีสติปัญญาก็ต้องมีสติยังต้องสร้างสติขึ้นมาให้ได้ก่อน ถ้าไม่มีสติแล้วก็จะไม่สามารถสร้างสมาธิขึ้นมาไดา้ไม่สามารถสร้างปัญญาขึ้นมาได้วิธีจเจริญสติมันก็อยู่ที่สภาพแวดล้อมของเราถ้าเราอยู่ในที่มีเรื่องมากก็จะยิ่อักถ้าอยู่ในที่ไม่มีเรื่องมีดาวเช่นไปเปิกวิเวกอยู่คนเดียวอันนี้จะไม่มีอะไรมาบิดใจไป ให้ลอยไปตามเหตุการณ์ต่างๆก็จะสามารถที่จะดึงใจให้อยู่กับตัวได้อยู่กับปัจจุบันถ้าอยากจะได้ผลจากการเจริญสติก็ต้องหาเวลาไปปีกฤเวไปอยู่ที่สมองัิสรที่เราอยู่ของเราคนเดียวไม่ต้องเกี่ยวข้องกับใครเป็นไปอยู่ตามวัดถ้าจะเกี่ยวข้องก็เฉพาะเวลาที่ มาทำกิจจวัตที่จำเป็นเช่นมารับประทานอาหารมาทำอาหารมาทำความสะอาดอะไรต่างๆแต่มันก็เป็นชั่วคราวชั่วประดียวประเด้วเสร็จภารกิจที่จำเป็นแล้วเราก็แยกกันไปกลับไปอยู่ที่พักของเราแล้วก็ไปเดินจงกรมนั่งสมาธิ เดินจงกรมนั่งสมาธิก็ต้องใช้เจริญสติจะใช้พุทโธไปก็ได้เดินจงกรมก็พุทโธพุทโธไปก็ได้หรือจะดูล่างกายคือดูเท้าก็ได้กำลังเท้าก้าวเท้าซ้ายก็ซ้ายก้าวเท้าขวาก้าขวาให้รู้อยู่ว่ากำลังเดินซ้ายขวาซ้ายขวาไปไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับเท้าเพียงอย่างเดียวหรืออยู่กับพุทโธ เดินจนเมื่อยแล้วก็มานั่งสมาธินั่งสมาธิก็จะพุโทโธต่อไปก็ได้หรือจะดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ให้มี ม, มีมีองค์ภาวนาให้มีสิ่งที่จะตั้งสติมีที่ตั้งของสติ ใช้ลมหายใจเป็นที่ตั้งก็ได้ใช้พุโทโธเป็นที่ตั้งก็ได้ถ้านั่งเฉยๆแล้วใจไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่กับพุโทโธแล้วอยู่กับลมนี้เดี๋ยวใจก็รวมเข้าสู่ความสงบได้พุโทโธกับลมนี้จะจะรวมกันก็ได้จะไม่จะแยกจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แล้วแต่ความถนัดเท่าที่ได้ยินมาบางคนก็ใช้พุโทโธอย่างเดียวบางคนก็ดูลมอย่างเดียว บางคนก็พูดเข้าโทรออกอันนี้ไม่เป็นปัญหาอยู่ที่ความถนัดหรือบางทีอยู่ที่ได้ฝึกสอนมาได้ฝึกเรียนมาเวลาบางคนไปเรียนกับครูครูก็สอนให้พูดเข้าโทรออกก็เลยก็เลยทําอย่างนั้นมาบางคนไปเรียนกับครูที่บอกให้พูดโทรอย่างเดียวก็พูดโทรอย่างเดียว เราคนไปจครูสอนให้ดูลมอย่างเดียวก็ดูลมอย่างเดียวมันก็เป็นการเจริญสติพุทโธก็พุทธานุสติดูลมก็อนาปนาสติข้อสำคัญให้ดูวา่าทำไปแล้วได้ผลหรือเปลาวิธีไหนได้ผลดีเราก็เอาวิธีนั้นไปไม่จำเป็นจะต้องใช้สี่สิวิธี สีส่สวิธีนี้เป็นเหมือนอ า, อาหาร40ชนิดเวลาเรากินอาหาราทีเราเลือกอาหารชนิดเดียวกินให้มันอิ่มอันไหนก็ได้เราชอบอาหารชนิดไหนเราก็เลือกอาหารชนิดนั้นเราชอบกรรมฐานชนิดไหนเราก็เลือกกรรมฐานชนิดนั้นไปชอบอนาปนาสติก็ดูลงไปเวลานั่งนะแต่เวลาเดินเวลาทำอะไรก็ต้องใช้กายกตาสติ ดูร่างกายดูว่าตอนนี้ร่างกายกำลังทำอะไรอยู่กำลังเดินกำลังยืนกำลังนั่งกำลังนอนกำลังทำงานกำลังล้างหน้าแปรงฟันให้อยู่กับงานที่ร่างกายกำลังทำอยู่อย่างเดียวไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วพอเวลามานั่งก็ดูลมหายใจเข้าออกถ้าใช้พุทธานุสติก็ พุโทโธพุโทโธไปทําอะไรก็พุโทโธไปด้วยทํากับข้าวล้างถ้วยล้างชามก็พุโทโธพุทโธไปหนึงใจให้อยู่กับการล้างถ้วยล้างชามทํากับข้าวเพราะบางทีมันชอบทำสองอย่างทํากับข้าวแล้วก็คิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เราต้องการไม่ให้คิดอะไรทํากับข้าวไปถ้ามีสติกําลังมากพอ ดูการทำกับข้าไปดูล้างถ้วยล้างชามไปได้ก็ไม่ต้องใช้พุทธโธแต่ถ้ามันไม่ยอมอยู่ก็ใช้พุทธโธช่วยก็ได้ให้พุทธโธพุทธโธก็ม่ทีแล้วก็มันจะได้นิ่งมันจะได้ไม่คิดถึงเรื่องต่างๆอันนี้เป็นขั้นตอนขั้นขั้นแรกต้องจเจริญสติให้ได้ เมื่อมีสติแล้วก็จะทำนั่งสมาธิใจก็จะสงบได้หรือว่าถ้านั่งแล้วเจ็บก็ถ้ามีสมาถ้ามีสติก็สามารถผ่านความเจ็บได้เช่นเวลานั่งแล้วเจ็บก็อย่าลุกถ้าใช้พุทโธก็บริกรรมพุทโธไปเรื่อยให้ติดอยู่กับคาบริยกรรมอย่าไปคิดถึงความเจ็บถ้าไม่ไปคิดถึงความเจ็บแล้วใจก็จะไม่วุ่นวายใจจะไม่ จใจจะไม่ทุกข์แล้วใจก็จะผ่านทุกขเวทนาไปได้พอใจสงบทุกขเวทนาก็จะไม่มีความสำคัญไปถึงแม้ยังรับรู้อยู่แต่ใจก็ไม่เดือดร้อนกับความเจ็บของร่างกายหรือบางทีถ้ามันลงนึกมันก็หายไปเลยไม่รับรู้เรื่องของเวทนาเรื่องของร่างกายจิตโดนเป็นหนึ่งเหลือแต่สักแต่ว่ารู้ อันนี้คืออำนาจของสติถ้ามีสติก็มีกําลังมากเนี่ยมันจะดึงจิตให้เข้าสู่อัปปนาสมาธิได้ถ้ามีกําลังน้อยมันก็จะสู้การมัชฉัน้ะไม่ได้การมัชฉัน้ะมันจะดันให้ออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่งได้เดียวเดียวก็อยากจะลุกแล้วอยากจะไปดูนั่นดูนี่ฟังนู่นฟังนี่ทําอะไรต่างๆ เพราะสติไม่มีกำลังพอที่จะดันการมัชชะทะเข้าไปการมัชทะมันมีกำลังมากกว่ามันพักดันออกมางั้นต้องสร้างสติให้มีกำลังจนสามารถดันการมัชชะทะให้เข้าไปในอัปปนาให้ได้พอเข้าไปในอัปปนามันก็จะหมดกำลังมันก็จะนิ่งสงบล้วก็จะมีความสุข จะเป็นความสุขที่ดีกว่าอานไปได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย mm hmm. ก็จะมีะ mm hmm. กำลังที่จะต่อสู้กับความอยากที่ยังไม่ตาย mm hmm. เวลาที่ออกจากสมาธิมาถ้าสติไม่ถ้าเผลอสติเมื่อไหร่ความอยากมันก็จะโผล่ขึ้นมา mm hmm. แต่ถ้ามีมีความสงบก็พอที่จะฝืนมันได้ ถ้าออกจากสมาธิมาจิตจะมีกำลังที่พอที่จะฝืนความอยากได้เวลาที่ความอยากโผล่ขึ้นมาแต่จะฝืนได้ไม่นานถ้าอยากจะฝืนให้มันได้แบบถาวรก็ต้องใช้ปัญญามาช่วยต้องสอนใจว่าอย่าไปทำตามความอยากเพราะสิ่งที่อยากได้มันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขเป็นเหมือนยาเสพติดไม่เสพไม่ติดยาเสพติดดีกว่าติด ติดแล้วก็ต้องเสพไปเรื่อยๆเวลาไม่ได้เสพก็จะทรมานจะทุกข์รูปเสียงกลิ่นรนส น, นี่ก็เหมือนกันพออยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทานอะไรถ้าไปดื่มไปฟังไปรับประทานแล้วก็เสร็จต้องติดแล้วเดี๋ยวก็อยากอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าไม่อยากแล้วต่อไปมันก็เฉยๆถ้าไม่ถึงเวลาให้ร่างกายกินอาหารก็ไม่ต้องกินใจไม่หิว แต่ถ้าใจหิวแล้วต่อให้กินเท่าไหร่ก็ไม่พอ <c oughs> ถ้ามีปัญญามันก็จะเห็นโทษของความอยากอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยากมีอยากเป็นอยากได้สิ่งนั้นอยากมีสิ่งนี้อยากไม่ได้สิ่งนั้นอยากไม่มีสิ่งนี้มันจะเห็นว่ามันเป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับใจเพราะมันเป็นตัวที่ทําลายความสงบ ที่ได้จากการนั่งสมาธิมาพอมันเห็นโทษของตันหาความอยากต่างๆมันก็ไม่ทําตามฝืนวิธีทําลายความความอยากก็คือไม่ทําตามท่านนั่เองอยากดูก็ไม่ดูอยากฟังก็ไม่ฟังอยากดื่มก็ไม่ดื่มนอกจากดื่มเพื่อร่างกายเช่นร่างกายถายน้ําต้องดื่มน้ําก็เด่มไปแต่ไม่จําเป็นจะต้องดื่มน้ําที่มีรสชาติต่างๆ รสชาติก็เป็นกิเลสความอยากในรสชาติถ้าร่างกายต้องการน้ําก็ดื่มนา้น้ำไปน้ํำปากๆไม่ต้องมีรสนี่เป็นการกําจัดความอยากต่างๆแล้วต่อไปจะไม่มีความอยากมารบกวนใจจะอยู่เฉยๆอย่างมีความสุขถ้าอยู่ยังมีความสุขแล้วก็ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีเงินมีทอง ที่มีต้องมีเงินเงินก็เพราะเอาไปเอาไปเอาไปทําตามความอยากกันถ้ามีความอยากแล้วไม่มีเงินก็มันก็เดือดร้อนเพราะมันมันจะไม่สามารถทําตามความอยากได้แต่ถ้าไม่มีความอยากแล้วก็ไม่ต้องมีเงินทองก็ได้ว่าไงจะถามเลยคพระอาจารย์ครับเวลาเวลาดูลมหายใจนะครับบางครั้ง ผมก็ผมคือไม่เปกนสมาิครับบางครั้งก็ส่วนใหญ่จะเป็นที่ง่วงนอนนะครับอันนี้เราเราจะแก้ไขปัญหาโดยการที่ผมลุกขึ้นมาเดินจงกรมเลยเพื่อเพื่อให้ร่างกให้มีสติหรือว่าเราควรที่จะนั่งต่อไปครับถ้ามันนั่งแล้วง่วงมันหลับก็นั่งไปก็ไม่เกิดประโยชน์ก็ต้องลุกขึ้นมาเดินให้มันหายง่วงก่อนหายง่วงแล้วค่อยจับไปนั่งใหม่ แต่ถ้ามันยังม่วงอยู่เรื่อยๆเดินก็ม่ว ง, งีก็ต้องใช้วิธีอื่นเช่นใช้การผ่อนอาหารลดลดการรับประทานอาหารให้มันน้อยลงไปเช่นถือศีลแปดก็รับประทานได้เพียงแค่ก่อนเที่ยงวันหรือถ้าถือศีลแปแล้วยังง่วงอยู่ก็อาจจะต้องอดอาหารไปลองอดดูวันสองวันสามวันดู อดนี้คือไม่ทานอะไรเลยใช่ไหมก็เดือดแต่น้ำเหมื่นแต่น้ําหรืออาจจะดื่มพวกน้ําปานะบ้างก็ได้าแต่น้ํำผลไม้อันนี้แล้วแต่เราจะกําหนดเอาคือถ้าอยากเอาแบบที่มันอดโดเลยก็ไม่ต้องกินเลยเอาแต่น้ําป่าอย่างเดียวอย่างครูบาอาจารย์ที่ท่านไปอยู่ทุดงในป่าเวลาท่านอดอาหารท่านก็ไม่มีอะไรอยู่กันเดือนอะไร ก็ไม่เป็นเดือนอดเป็นพักๆเลยอดสามวันบ้างห้าวันบ้างแล้วก็ออกมาฉันสักวันสองวันแล้วก็กลับไปอดใหม่ร่างกายอยู่ได้ใช่ไหมได้ได้ร่างกายมันมีอาหารสะสมไว้เยอะก่คนที่มีน้ําหนักเยอะๆนี่อดได้เป็นเดือนจริงๆก็มันมีพลังงานสะสมอยู่ที่หิวไม่ได้หิวที่จะร่างกายมันหิวที่ใจ ใชมันหิวแต่ร่างกายมันบอกโอ้ยฉันมนีอาหารเหลือเฟือแล้วอยู่ไปเดือนก็อยู่ได้ทีนี้บางครั้งเนี่ยครับผมเดินจงกรมก็ mm hmm. เหมือนกับพิเตเองนะฮะว่าน่าจะสร้างสติได้มากกว่า mm hmm. เพราะว่าเวลานั่งสักห้าทีสินาทีบางทีมันมันมันเหมือนมันสมาธิยังไม่เข้าเนี่ยเลยเลยส่วนตัวเลยชอบที่จะเดินจงกรมมากกว่า mm hmm. แต่ว่าเคยอ่านหนังสือ mm hmm. บางเล่นมนะฮะท่านก็บอกว่าเดิน ครึ่งชั่วโมงนั่งครึ่งชั่วโมงเนี่ยควรจําเป็นต้งเข้ากันในกครับินไม่จําเป็นหรอกอันไห น, นวิธีไหนที่มัน<ช>ได้ประโยชน์กว่านะก็เอาวิธีนั้นไปถ้าเดินเรวก็ได้ประโยชน์ได้สติเดินไปหกชั่วโมงเลยก็ได้ไม่จําเป็นต้องนั่งเลไม่ต้องนั่งเลยเดินสักสองสามวันก่อนเนี่ยถ้ามันเดินไม่ไหวค่อยไปนั่งครับมันต้องัมันต้อนงนั่งอะไม่ช้าก็เร็วถ้ามันเดินจะนั่งมันเหนื่อยแล้วมันมันเดินไม่ไหวมันก็ต้องนั่งเพราะว่าในหนังสือเขาอ้างว่าเออ ต้องบาลานซ์นสีให้เท่ากันเช่นพวกนี้ก็พวกแบบพวกครับพวกไม่ได้ปฏิบัติพวกปฏิบัติเขาจะไม่ได้มีกดตายตัว<อ>เขาจะดูคืยยอยื่นหยุดไปตามไปตามกำลังของผู้ปฏิบัติไปตามความถนัดของผู้ปฏิบัติแต่ก็อยู่ในกรอบนี้อยู่ในอยู่ในระหว่างเดินกับนั่งนี้<อ>ส่วนใหญ่ หรือบางทีเขาถือในสัตชิกเขาก็ถือเอาสามวิริยาบทเลยไม่นอนอสามวันเจ็ดวันถ้าจะหลับก็ให้มันหลับในท่านั่งเนี้ยมันจะได้หลับไม่นานหลับได้สักชั่วโมงสงชั่วโมงมันก็จะเต่นนะเต่นก็ลุกขึ้นมาเดินแล้วนั่งสมาธินรนแนนตออ C, ่ี ม, ม, ม, มดม สู้สู้กิเลสไม่ไหวกิเลสคือความเกลียดข้านขวนอยากหลัอยากนอนนี่มันก็จะมันดึงไปแล้วมีความจําเป็นต้องเนสัศชิกทีทีนะเพื่อสร้างวิทยาก็อย่าง <ๆ S 1> ที่บอกนีคนปฏิบัติจะจะรู้เอง<ช>ว่าจะเหมาะสมกับตนเองแบบไหนอย่างไเราคนไม่เหมือนกันแต่เราคนไม่เหมือนกันบางคนไม่ถนัดเนสัศชิกเลยครับบางคนถนัดทางโอทะหานแต่โอทะหานนี่ก็ต้องมีความ พอดีหรือถ้าอดมากเกินไปนี่มันอาจจะทําให้ท้องเสียได้หลวงตาท่านเคยเล่า ว, ว่าท่านเคยอดมากๆเก่งจนทัน้งท้องมันไม่ปกติเวลาเราประทานอาหารเข้าไปนี่มันไม่ย่อยมันจะถ่ายออกมาทั้งที่แบบที่กินเข้าไปถ้าอย่างนั้นมันก็มากเกินไปแต่บางทีท่านบอกว่ามันอดแล้วมันภาวนาดีมันก็เลยติดใจอชอบอด มันก็เลยอดเลยเลยเถิดไปทำให้เกิดความเสียหายแก่ระบบข อ, องของร่างกายได้ก็ต้องแบ่งให้รู้จักประมาณมว่าถ้าร่างกายเริ่มแสดงอาการไม่ดีแล้วก็ต้องต้องต้องลดการอดลงให้กลับมาให้มันน้อยลงไปหน่อย เพราะว่าเวลาอดแล้วมันจะทําให้ขยันแล้จะทําให้สติดีแล้วมันจะบังคับให้ภาวนาพรถ้าไม่ภาวนาจิตมันจะฟุง้งมันจะพิจิตถึงเรื่องอาหารแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือผมอ่านหนังสือพระอาจารย์ครับลองสังเกตจิตตัวเองก็รู้สึกว่าเออมีความปีติฮะคืออ่านหนังสือพระอาจารย์แล้วเหมือนกับว่าเราเห็นอา น, นิสงส์การออกบุตรนะฮะแล้วก็อีกอันหนึงก็คือ คือเอาจารย์อาจารย์สุชาตินะก็เน้นให้ให้ให้สละออกใช่ไหมครัให้ให้เสียสละจาคะเหมือนกับว่าทํางเงินที่เราสะสมเนี่ยให้ให้หมดไปเลยแล้วมันจะได้เหมือนกับมีโอกาสได้ออกบวชอันนี้ก็เลยจะเรียนฐานมอาจารย์ว่ามันจะเป็นไปได้ทุกคนไหมหมายถึงว่าหรือสำหรับคนที่สะสมว่าเรามีพลงด้านทานวารมีเพื่อที่จะได้คนที่ต้องการก็จะได้คนที่ไม่ต้องการก็ไม่ได้ แต่ละคนนี่ปรีความต้องการไม่เหมือนกันบางคนก็ไม่ต้องการการปฏิบัติไม่ต้องการธรรมะเขาก็จะไม่ออกบวชกันแต่คนที่เขาต้องการธรรมะก็ต้องการหลุดพ้นก็ต้องการพระนิพพานเขาก็จะออกบวชกันคืออันนี้ต้องต้องเหมือนกับมีศรัทธามาแต่เก่าของเก่าด้วยก็ไม่แน่นอนบางทีไม่มีศรัทธามาก่อนก็ได้อย่างหลวงตาท่านก็ไม่มีศรัทธาที่จะบวชแต่ท่านบวชตามหน้าที่ เป็นลูกชายแล้วลูกลูกชายคนอื่นไม่ยอมบวชกันพ่อเขาพ่อแม่ก็เลยมาหวังที่ลูกชายคือหลวงตาหลวงตาท่านก็เลยจังใจบวชแต่พอท่านบวชแล้วท่านเป็นคนเอาจริงเอาจังท่านศึกษาพอศึกษารู้จักพระพุทธเจ้ารู้จักพราอรหันต์ว่าเป็นอย่างไรรู้จักวิธีว่าจะทำอย่างไรให้เป็นพระอรหันต์ท่านก็เลย เกิดความยินดีเกิดความอยากจะเป็นพระอรหันขึ้นมามันต้องมีความอยากเป็นพระอรหันนี้เรียกฉันทะนี่แหละเพราะบางคนต้อเคยบอกผมไอ้นี่มันเป็นฉันทะไม่อยากแบบนี้ทันเนี่ยอันนี้แหละฉันทะอ๋อฉันทะฉันทะวิริยะจิตตวิมังสมันจะมาพอเรารู้ว่าพระนิพพานเป็นยังไงพอเรารู้ว่าพระอรหันเป็นยังไง เราก็จะเห็นว่าไม่มีอะไรในโลกนี้จะดีเท่ากับการเป็นพระอรหันต์การาได้ไปพระ น, นิพพานคือผมพยายามหาหนังสือมันก็ไม่รู้ว่าสภาวะอย่างนั้นเป็นยังไงพ่อบางคนบอกว่าต้องต้องเหมือนรู้ด้วยตัวเองหรือเปล่าหรือต้องให้ใครบางคนพยากรณ์เนอีี่่ยอะไรการเป็นการที่จะรู้สภาวะที่มันไร้ทุกข์หรือพรนิพพานอ๋อตอนนี้คนมีทุกข์ก็บางมีแล้วตอนนี้นั่งยอยู่ตรงนี้อ่านั่นแหละ<ม>ก็แบบนั้นแหละ มันไม่ยี่สี่ชั่วโมงะครับนั่นเองมันจะเป็นอย่างั้นไปตลอดถ้าถ้าเป็นนี้ผ่านมันก็จะเป็นนี้ไปตลอดลอ๋ออะไรมันจะไม่ทุกข์กับอะไรรู้ตัวเองก็อย่างนัะคุณตอนนี้คุณรู้ไม่เห็นนั้นนี้คุณมีทุกข์ก็ไม่มีทุกข์ก็เพราะทำให้มันเป็นอย่งี้ไปตลอดเวลาเท่านแต่ต้องอยู่เฉยๆแบบนี้ไม่ต้องไปหาอะไรมาทํามาดับความทุกข์ของเรา เวลาคุณไปหาอะไรมาดูมาฟังเนี่ยแสดงว่าคุณมีความทุกข์แล้วเช่นอยากฟังเพลงเออก็คลมีความทุกข์แล้วอยู่กับอยู่เฉยเฉไม่ได้แล้วต้องไปฟังเพลงหรืออยากคุยกับเพื่อนนั่นแหละก็เป็นความทุกข์แล้วทุกข์พวกอยู่เฉยเฉยไม่ได้คือบางครั้งผมชอบสนทนาธรรกับเพื่อนนะคุณลองไปนั่งเฉยเฉยสักหชั่วโมงดูเลยนั่งกางอี๋เฉยเฉดูเราดูว่าคุณจะทุกข์ไม่ทุกข์จะทุกข์ ก็หยุดไปสิอย่าไปอย่าไปทำอะไรนั่หละถ้าทานี้ได้ยี่บสี่ชั่วโมงมันก็เป็นพระนิพพานได้ไม่ต้องทุกข์กับอะไรไม่ต้องอยากได้อะไรไม่ต้องอยากมีอะไรไม่อยากฟังอะไรอยู่เฉยคือผมเคยยินพระนิพพานชิมลองจากท่านพุทธทาสท่านน่ะบอกว่านิพพานระหว่างวันอันนี้ไม่ทราบว่าจะเป็นหรจะได้ก็เขาก็พูดกันไปร้อยแปด ไม่สําคัญหรอกที่พูดให้ฟังนี่เพื่อให้คนรู้กันแล้วกันว่านิพานก็คือความไม่ทุกข์เป็นอุเบกขาที่พระอาจารมันก็เป็นคําพูดเ ป, เป็นตัวอุเบกขาแล้วก็จะพูดกับไอ้เรื่องสมาธิครับแต่ตัวนิพานนี่เขาว่ามันเหนือเหนือคําบรรยายมันเป็นสุขเวทนาตอนนี้แหละคนโศกป่าตอนนี้แหละ อสุขใจก็อย่างเงี้ยก็ค่ายๆนี่พานแล้วละมไม่หิวไม่อยากไม่ต้องการอะไ ร, รพ อ, อคุณไปงี้ดได้ไม่กี่ไม่กี่นาทีเดี๋ยวก็อยาก อ, อยากกินอาหารที่ชอบหรือยอยากคุยอยากจะไปนู่นมานี่แล้วนั่งอยู่ตรงนี้สักครั้งหนึ่งถ้ายนั่งอยู่คนเดียวก็นั่งไม่ได้แล้วเดี๋ยวก็ต้องไปละ ะปวดออไรมันปวดบ้างเบื่อบ้างอะไรบ้างสุดแท้แต่แต่ถ้าเป็นนิพพานแล้วมันไม่มีอยู่ตรงไหนก็อยู่กับท่านเนอะถึงแม้ไม่ได้เข้าสมาธิอ่ไม่ต้องเข้าอ๋อคือบางคนรวมผมเนี่ยคิดมาก่อนว่าแหมมันต้องเข้าสมาธิเท่านั้นแหละถึงจะได้สภาวะทานองนั้นนะครับมันก็ใหม่ๆต้องเข้าเนาะเอ๋อันนั้นเป็นเป็นสภาวะที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของพระนิพพานอ๋อ ต้องจำเป็นต้องเข้าครับเข้าแล้วเราจะได้ดูว่ามันความสงบนั้นเป็นยังไงมันดีอย่างไรครับแล้วเราจะได้หาวิธีรักษาให้มันสงบไปตลอดเวลาต่อไปพราะว่าอยู่ในสมาธิไปได้ไม่ตลอดเดี๋ยวก็ต้องออกมาพอออกมาแล้วเดี๋ยวก็เกิดความอยากต่างๆปรากฏขึ้นมาตอนนั้นก็ต้องใช้ปัญญามาหยุดความอยากให้ได้ ถ้ามีปัญญาก็จะหยุดได้ถ้าเห็นทุกอย่างเป็นทุกข์ก็จะไม่อยากได้ครั้งนี้มีอะไรไหมค่ะอาจารย์ครที่สามแลค่ะมาครั้งนี้ครั้งที่สามเลยครที่สามค่ะมาจากที่ไหนมาจากว่าไปเออมาจากกรุงเทพค่ะแต่หนูไปภาวนาอยู่วัดบุญยว่าค่ะเออพราจารย์ตันท่านบอกว่าถ้าผ่านไปทางสติก็แวะไปจ้าว ก็กาชานั้นะอ่าค่ท่านก็เล่าพอดีลูกชายไปบวชกับท่านด้วยอย่่ห <laughs> <ะ> <laughs> <ะ> <laughs> กเดือนก็เลยจะกลับไปเรียนอีกต่อที่นิวซีแลนด์มาเรียนไม่จบก็เลยพามามาก่าจะมีอะไรอยากจะถามไหม <laughs> <laughs> <g ül> ก็ไม่มีอะไรพระอาจารย์จะถามพระาจารย์่นเทียวค่ะ <laughs> ถ า, ถามไปหมดแล้วก็าถามไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ด้วยแต่พระอาจารย์ก็ตอบมาทุกคำถามก็ทราบแล้วแล้วหลวงพี่หลวงพ่อไม่มีอะไรจะถามจะคุยไหมไม่มีคับไม่มีนะ <c oughs> อ้าวอาจารย์กอะไรพระอาจารย์้าครับแ้เดี๋ยวมีหนังสือสีดีแจกนะใครต้องการก็เอาไปได้ดวันนี้จะให้พรก่อนดีนะ้ม เผ่อใครจากจะกับจะได้การยากยะท้าววะริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิตทินังเปตานังอุปกัรปติอิชิตังปฏิต <c oughs> ังตุมหังกิปะเมวะสมิจตุสพเพปุเรนตุสางกปาจันโทปนะวะโสยะทามณิโชติ การยถาสภีติโยวิวัจจันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภาวตวันตราโยสุขีทีขายุโกภาวะอาภีวาธนศีลิษาลิจังวุฒาปจายโนจตารโอธรรมาวาทานติอายุวโนสุขังภาลัง